ตอนที่1ิบเอ็ดเจ้าชุนฮาวาผู้มีท่าทีอึกอักคราวก่อนผมได้ยินคุณบอกว่าอยากหางานทำถ้าคุณต้องการผมช่วยคิดหาวิธีให้ได้นะเจิ้งอวิ๋นโฉงเอ่อเสียงเบาไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ฉันเกรงใจจนไม่กล้ารบกวนคุณต่อแล้วเรื่องงานฉันจะลองหาวิธีเองดูคะ่ะลีชิงพิงไม่อยากรบกวนรองผู้พันเจิ้งซ้าแล้วซ้าแล้วเขาช่วยเหลือนางกับลูกมามากพอแล้ว ลิวันแอบล่อสังเกตเจิ้งอวินชงอยู่ข้างๆพางคิดในใจว่าคนผู้นี้ไม่เลวเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าพ่อที่ไม่รับผิดชอบของนางคนนั้นมากทั้งสาคนสั่งอาหารมาสามอย่างเจิ้งอวินชงไม่ยอมให้ลิชิงพิงสั่งเพิ่มอีกในเมื่อนางเป็นคนเลี้ยงอาหารเท่านี้ก็เพียงพอแล้วหลังจากรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของรัฐเสร็จลิชิงพิงก็พาเซียหวานกลับเข้าเขตทหารพร้อมกับเจิ้งอวินชงเจิ้งอวินชงไปส่งสองแม่ลูกที่เรือนพักรับรองรอจนเห็นพวกนางเข้าไปข้าในแล้วจึงก้าวเท้าตามไป รองผู้พันเจิงท่านมีอะไรจะสั่งหรือครับเจิงอวิ๋นฉงถามสหายประจําเรือนพักรับรองด้วยสีหน้าเคร่งขรึมช่วงสองวันมานี้มีใครมาคอยสืบเรื่องของหลีชิงผิงกับลูกสาวบ้างไหมสหายประจําเรือนพักรับรองพยักหน้าทันทีโดยไม่ลังเลและตอบตามความจริงมีครับคนผู้นั้นเป็นนักกล่าวไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยตกลงผมทราบแล้วแววตาของเจิงอวิ๋นฉงไหววูบดูเหมือนเรื่องราวจะเป็นไปตามที่เขาคาดไว้ไม่มีผิดหลังจากพบกันคราวก่อนลูกเคิร์กก็แอบมาสืบเรื่องราวที่เรือนพักรับรองดูท่า การพบกันโดยบังเอิญในวันนี้ก็น่าจะเป็นแผนการที่นางวางไว้เช่นกันรองผู้พันเจิ้งเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าครับชายผู้นั้นถามด้วยความรู้สึกกระวนกระวายคุ้มปากของตัวเองให้ดีเรื่องที่ไม่ควรพูดก็อย่าหลุดรอดออกมาแม้แต่คําเดียวเจิ้งอวินชงตําหนิด้วยเสียงเฉียบขาดก่อนจะก้าวเท้าจากไปทันทีครับเขาปาดเหนยเย็นๆที่ผุดขึ้นบนหน้าผากด้วยความหวาดกลัว ลิชิงพิงตั้งใจว่าจะรีพาลูกสาวย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่ซื้อไว้การได้อยู่ในลานบ้านของตัวเองย่อมรู้สึกมั่นคงกว่าอยู่ที่นี่แน่นอนทว่าก่อนจะย้ายเข้าไปยังมีของที่ต้องเตรียมอีกมากทั้งฟูกผ้าห่มหม้อชามรามไหสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องจัดหาใหม่ทั้งสิ้นลีชิงพิงมีฝีมือด้านงานฝีมือวันต่อมานางจึงไปซื้อผ้าและนุ่นที่ต้องใช้ทําผ้าห่มนวมกลับมาเมื่อเตรียมเข็มและได้พร้อมแล้ว นางก็ตั้งใจจะทําฟูกสองผืนและผ้าห่มสองผืนก่อนลูกสาวโตวขนาดนี้และต้องการพื้นที่ส่วนตัวห้องของนางก็ต้องมีฟูกและผ้าห่มชุดใหม่ตอนนี้ทําเท่านี้ไปก่อนหากไม่พอก็ค่อยๆทําเพิ่มทีหลังหลีชิงพิงต้องใช้เตียงในการทํางานหลีหวานจึงยกมา้านั่งมานั่งริมหน้าต่างมองเงาร่างของผู้คนที่เดินผ่านไปมาข้างนอกด้วยความเบื่อหน่ายกอกกอกเสียงเคาะประตูหนักๆดังขึ้นหลีหวานลุกขึ้นไปเปิดประตูเป็นคนแรกคุณย่าเจิง คนที่มาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจ้าชุนฮวาแม่ของเจิ้งอวิ๋นชงนั่นเองเสี่ยหวานแม่ของเจ้าละ่ะเจ้าชุนฮวาคล้องตะกรา้าผักไว้ที่ข้อมือพลางมองหลี่วันด้วยรอยยิ้มเบิกบานแม่อยู่ในห้องคะขุนยาเจิ้งรีบพขมาเถอะข้าหลี่วันเบี่ยงตัวหลีกทางเพื่อให้เจ้าชุนฮวาเข้ามาในห้องเมื่อเจ้าชุนฮวาเห็นว่าบนเตียงและบนพื้นในห้องเต็มไปได้วยข้าวของมากมายก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องถามว่ากําลังทําผ้าห่มอยู่ชิงผิงยุ่งจนทําไม่ไหวทําไมไม่บอกข้าบ้างละ่ะยังมีเข็มเหลืออีกไหม คุณป้าทำงานเล็กน้อยแค่นี้ไม่เท่าไหรหรอกข้าฉันทําคนเดียวได้ท่านมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะลีชิงผิงยืดหลังตรงความรู้สึกปวดไม่จากการก้มตัวเป็นเวลานานแล่นริ้วขึ้นมานางยกมือขึ้นรวบปลอยผมข้างหูเสี่ยวหวันรีเอามา้านั่งมาให้คุณย่านั่งเร็วไม่นั่งแล้ววันนี้เจ้าชุนหววไม่มีธุระอะไรเพียงแต่ทําราบบุยยไส้หมูทอดมาให้สองแม่ลูกเพราะคราวก่อนเห็นเซี่ยวหวันชอบกินมาก รากบวช่วงนี้สดที่สุดของกินตามฤดูกาลแบบนี้ดีต่อร่างกายนารากบวอยใส่หมูทอดของข้านี่รสชาติเป็นเลิศคนอื่นทําไม่ได้รสชาติแบบข้าหรอกหอมจังเลยค่ะลีรวรนมองรากบวอยใส่หมูทอดที่คุณย่าเจิ้งหยิบออกมาจากตะกร้ากลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วห้องทันทีไม่ใช่แค่หอมนะแต่ยังอร่อยมากด้วยเจ้าชุนฮวายื่นไปตรงหน้าหลีหวรร กินเธอตอนทอดเสร็จใหม่ๆจะกรอบอร่อยที่สุดข้าถือเดินมาส่งให้เจ้าทางนี้เลยหายกรอบไปบ้างแล้วเสียวันวันหลังถ้าคุณย่าทอดรากบุยย้ยไส้หมูทอดอีกเจ้าก็ไปที่บ้านข้านะข้าทอดไปเจ้าก็กินไปขอบคุณค่าคุณย่าลิวันเอ๋ยขอบคุณด้วยน้ำเสียงออดอ้อ น, นางอดใจไม่ไหวรีบชิมไปหนึ่งชิ้นรสชาติยังเหมือนเดิมกับที่กินคราวก่อนอร่อยมากกินเถ อ, เอะเถอะเจ้าชุนทวาสังเกตเห็นดวงตาที่เป็นประกายของเด็กสาวตอนกินและท่าทางที่น่าเอ็นดูนี้ทําให้นางรู้สึกชอบเด็กคนนี้จากใจจริง เจ้าชุนฮาวาเห็นเข็มและได้วางอยู่บนโต๊ะข้างๆจึงเดินเข้าไปช่วยสนเข็มและช่วยเย็บผ้าหม่มคุณป้าคะสองคนช่วยกันทํางานจะได้เสร็จเร็วขึ้นเจ้าชุนฮาวาโบกมือเป็นเชิงบอกให้หลีชิงถิงทาต่อไม่เป็นไรนางสังเกตเห็นว่าฝีเข็มที่หลีชิงถิงเย็บออกมานั้นสวยงามมากดูปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือประณีตเจ้าชุนฮาวายิ้มกว้างขึ้นชิงผิงข้าได้ยินว่าเมื่อวานเจ้าเจะโจลเจียนเยี่ยหรือค่ะหลีชิงผิงตอบรับ คำพูดบางอย่างระหว่างเราได้พูดกันชัดเจนหมดแล้วเมื่อวันเพึ่งซื้อลานบ้านใหม่ตอนนี้เลยอยากจะรีบย้ายเข้าไปอยู่ให้เราที่สุดแล้วขอย้ายทะเบียนบ้านของฉันกับลูกสาวมามีหนังสือแนะนำตัวที่รองผู้พัพนเจิง้งออกให้ช่วยแก้ปัญหาให้ฉันได้มากเลยค่ะเมื่อย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็น่าจะหางานทำได้และส่งลูกสาวเข้าเรียนได้สะดวกใช่แล้วการแต่งงานที่ไม่เหมาะสมก็ควรจะตัดขาดให้เด็กขาดทันทีเจ้าชุนหววเอ๋ยอย่างครุ่นคิดชิงพิงหลายปีมานี้เจ้าพาลูกลำบากมามากต่อไปนอกจากต้องดีต่อตัวเองแล้วยังต้องดีต่อลูกให้้มากๆดวยนะ หลี่ชิงผิงก็คิดเช่นนั้นชีวิตต่อจากนี้เป็นของนางเองจะไม่มีใครมาคอยชี้นิ้วสั่งการชีวิตของนางอีกต่อไปคุณป้าขะฉันจะทําค่ะตอนนี้หลี่ชิงผิงเต็มไปด้วยความหวังต่อชีวิตใหม่เจ้าชุนฮาวามีคําพูดที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากแต่ก็ไม่ได้พูดต่อนางรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะพูดไว้รออีกหน่อยดีกว่าเจ้าชุนฮาวาช่วยหลี่ชิงถิงทำฟูกและผ้าห่มจนเสร็จถึงได้กลับไปทั้งสองคนคุยสัพเพรกกันไปพลางทํางานไปพลางจึงไม่รู้สึกเหนื่อย รากใบย๊าซี่หมูทอดที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งหลีหวันเก็บไว้ให้หลีชิงผิงแม่ขนูไม่ไปโรงเรียนได้ไหมแล้วค่อยไปสอบเข่าสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยเลยหลีหวานไม่อยากไปใช้ชีวิตด้วยเปลือยในโรงเรียนจริงๆมันน่าเบื่อเกินไปอีกอย่างเจ้าของร่างเดิมไม่เคยเรียนหนังสือเลยแม้แต่วันเดียวนั่นหมายความว่านางต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งประถมมัธยมต้นมัธยมปลายรวมทั้งหมดสิสองปีหลีหวานไม่อยากเสียเวลาไม่ไปโรงเรียนไม่ได้นะ แม่หวังว่าต่อไปลูกจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ลีชิงพิงเอ่ยกับลูกสาวอย่างจริงจังมีแต่การตั้งใจเรียนเท่านั้นถึงจะมีทางออกดูอย่างแม่สิทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแม้แต่หางานอย่างยากตอนนี้ไม่มีความสามารถส่งลูกเรียนได้เรื่องอื่นลูกไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแค่ตั้งใจเรียนก็พอพูดจบลีชิงพิงก็กังวลว่าคำพูดนี้จะสร้างความกดดันให้ลูกสาวจึงชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเปลี่ยนคำพูดว่าไม่ว่าจะทำอะไรขอแค่ลูกพยายามให้เต็มที่ก็พอต่อให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเลิศก็ไม่เป็นไร แม่คะเพื่อนรุ่นเดียวกับหนูอยู่มัธยมสองหรือไม่ก็มัธยม3ามกันหมดแล้วเอาอย่างนี้ไหมแม่ส่งหนูเข้ามัธยมสามเลยก็ได้เรื่องการเรียนแม่ไม่ต้องห่วงหนูรับรองว่าตามทันแน่นอนลหวันยอมถอยให้เก้าหนึ่ง